พระอนาคาเมื่อทั้งหลายทั้นที่ห้าพระเจ้าาคาเมื่อทั้งหลายท่านที่หกพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเชระทั้งหลายเหล่านี้ก็ดีเหล่านั้นก็ดีเหลานุนก็ดีพวกเราทั้งหลายจะทําผิดท่านพะกายกรรมสามปจีกรรมสี่มโนกรรมสามในอันหนึ่งมาแต่พวกก่อ น, ก, อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีขอให้พระมหาเชระทั้งหลายเหล่านั้น จงทรงมรท้อนให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่โดยทุกเมื่อผลทุกได้พวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของพระสมาด็พระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยโด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อทือนในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ทุกคนหน้าต่างฝ่ายต่างได้ทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสาม อันใน อ, นน อ, อ, อันหนึ่งมาแต่พวก่อนก่อนคดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีเพราะพวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าตัวทั้งไตรโลกาจงต่างก็ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกขนหน้าอยู่โดยทุกมื่อผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายทุกขนหน้าตัวทั้งไตรโลกาจงประสบจากความสุขครเจริญในวาระพุทธศาสน า, า, พสาพเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดวนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมือ่อทืน อาหงตุแห่งนี้เม็นคานิทาวา่ายัตถะปังกตังกัมมังกุสเเล น, นปังยัติโสมังโลกังประพาเสติอภุมโตจันติมาอภิวาทนาสีนิตะนิจังมุตตาประจายนูจัตตารโอธรรมาวัันติอายุวันูนสุ ข, ขังภะหลังทีนี้เอ า, าเอับหน้าถวาย ฟังเทาไรราืเอเราเพื่อนกฟังลวนาเอาเอเรื่อฟังฟังบ่อยๆก็จะเบื่อหูจำเป็นทำไมจึงกล่าวซ้าๆซากๆแท้พระบรรดาชาวโลกไม่ค่อยขบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาถูกกล่าวตู่ไปต่างๆนานาไอ้แท้พระพุทธศาสนาเป็นมนุษย์สมบัติเจ็มภูมิ เป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นภูมสมบัติเต็มภูมิอยู่ในตัวแลว้วพระคําสอนใดๆในใตจโลกธาตุจะสอนละเอียดละออมเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายสร้างบารมีมาพุทธถ ะ, ถะจาทรงเเพื่อยญาตะถะจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาติโลตัถะจริยาเพื่อสงเคราะห์โลค มีสามประเภทตรงกันหมดเลยพระพุทธเจ้ามากกว่าร0อยโกดที่ล่วงไปแล้วที่จะมาในข้างหน้าก็ดีมีความประสงค์อันเดียวกันและก็มีพราบาอันเดียวกันยืนยันการปกครองโลกทาเป็นโรกบาลปลกครองโลกมีอยู่สองอย่างหนึ่งนม่คำละอายต่อบาปสออดตปะความสะดุ้ตัวตอบ ถ้าชาวโลกมีทำซัพปะการอยู่ประจำใจแล้วโลกก็ปกครองกันอยู่ได้ถ้าไม่มีอย่างนี้แล้วโลกทั้งหลายก็โอนละมานต้องวงสูงเวรภัยอยู่ไม่แน่ไม่รอดเพาะละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกให้อยู่ถ้าโลกไม่มีอย่างอายต่อบาปไม่มีความคลัวต่อบาปแล้วใครเป็นผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็พัฒนาพระพุทธเจ้าเท่านั้น เหลือนอกนั้นก็อย่าเอามาเอ่ยเลยบัญญัติเข้าข้างตัวบ้าพักของตัวบ้าเข้ากิเลสของตัวบ้าเพราะเหตุใดเพราะมีกิเลสเป็นนายหน้าเป็นเจ้าหัวใจอยู่พระพุทธเจ้าทั้งหลายว่า ม, มีกิเลสเป็นนายหน้าและเป็นเจ้าหัวใจเลยไม่บัญญัติเข้าข้างตัวและพักของตัวด้วย มัญญัติให้ถูกตามธรรมมาธิปตาใจไม่ลำเอียงเข้ากับคนชั้นต่ำชั้นสูงชั้นกลางหรือคนทุกข์คนจนอะไรอะไรเลยพูดตามเป็นจริงของธรรมด้วยอาศัยเอากรรำและผลของกรรมเป็นเครื่องวางบริบูรณ์เป็นเครื่องวางกําหนดการปฏิบัติการคุ้มครองโรคถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเร า, เาก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกัน กรรมของกรรมมันมีผลกรรมและผลกรรมมีอยู่กรรมก็ดีเหตุก็ดีพืชก็ดีผลของเหตุผลของกรรมของพืชเป็นความหมายอันเดียวกันส่วนไปทางดีทางชั่วแล้วยแต่เหตุพืชกรรมจะสร้างขึ้นแต่ละท่านแต่ละคนมีมโนกรรมเป็นต้นสายเหตุกรรมทั้งหลายกิจกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็มีมโนกรรมเป็นนายหน้าทีนี้จิตใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหา เมื่อสร้างเหตุกรรมพืชลงไปแล้วผลของเหตุผลของกรรมของคนของพืชก็ได้รับตามส่วนควรค่าของเหตุกรรมพืชที่สร้างขึ้นไม่ว่าทางดีและทางชั่วเลยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้หลีกเลี่ยงกฎหมายกฎหมู่กฎพระกฎพวกก็หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงได้ส่วนหลีกเลี่ยงกรรมและผลของกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้เธอจะเข้าใจว่าเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็ตาม เมื่อสร้างลงไปแล้วก็ได้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นแต่ละท่านแต่ละคนเลยกรรมและผลของกรรมสังขายนายจิตใจของมนุษย์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาย่อมได้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นไปในทางดีและทางชั่วพืชก็เหมือนกันผลของพืชก็เหมือนกัน เหตุก็เหมือนกันผลของเหตุก็เหมือนกันมีความหมายอันเดียวกันพูดกันหลายคํำเฉยๆผู้เชื่อกรรมแล้ผลของกรรมผู้เชื่อเหตุแล้ผลของเหตุผู้เชื่อพืชแด้ผลของพืชก็คือผู้มีที่พึ่งในทางใจนั่นเองก็คือผู้มีเหตุผลนั่นเองเพราะสิ่งทั้งหลายไม่ได้ลอยมามาตามเหตุผลเหตุนั่งผลก็ น, นั่ง เหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจพืชก็เหมือนกันกรรมก็เหมือนกรรมแปลว่ากิริยาที่ทําด้วยกายว า, ายาจใจมีมนโนกรรมเป็นต้นสายเหตุของกรรมทั้งหลายนะเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุรับตาผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นเว่นว่าแต่ในเท่มืดหรือตาไม่ดี น, นเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้า เมื่อหลับลงแล้วผลของเหตุก็มืดผลของพืชก็มืดผลของกรรมก็มืดผลของกิริยาก็ก็มืดเมื่อลืมตาขึ้นแล้วผลของเหตุก็เห็นผลของพืชก็เห็นผลของกรรมก็เห็นผลของกิริยาก็เห็นไม่อยู่ห่างกันพอก้าเลยเหตุใจก็เหมือนกันเรานึกดีในเวลานี้ผลของความดีก็มาในเวลานี้ เรานึกโกรธในเวลานี้ไม่พอใจในเวลานี้ผลของความไม่พอใจก็มาในเวลานี้ไม่ใช่พุ่งนี้จึงจะมาเรานึกเมตตากรุณาผลของความเมตตากรุณาก็มาหาใจในเวลานี้อืไม่ใช่พุ่งนี้จึงจะมาจิตใจของเขาของเราหนักแผ่นในทางกรรมราคะผลของกรรมราคะก็มาโทสะก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันเหตุนั้น ยังยืนยันว่าทำมมันยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัตันยุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เปนผลแห่งเหตุอันนี้อัตตันยุตาเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลรู้จักสมวัติบริวารและความรู้คุณทำเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรพึ่งตัวในสมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรมัตตันยุตาเป็นผู้รู้จักสแสวงหาขึ้นอย่างเลี้ยงชีวิต แต่ด้วยทางที่ชอบและรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควรกาลันยุตาเป็นผู้รู้จักเป็นผู้รู้จักกาละเวลาอันสมควรในอันประกอบเิจนั้นนั้นปฏิสันยุตาเป็นผู้รู้จักประชุมชนในกิริยาที่ประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะพ่อต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นลุค ร, ระโปรอรลันยุตาเป็นผู้รู้จักเลือก คนว่าผู้นี้เป็นคนดีควรครบผู้นี้เป็นไม่คนดีไม่คนครบเป็นต้นนี่เป็นภูมิของสุปฏิปันโนเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเป็นภูมิของผู้สนใจในธรรมะเป็นภูมิของผู้รักสันติความสงบพระพุทธศาสนาเป็นมหาสันติความสงบแล้วเอา้าถ้าชาวโลกมีเส้นห้าบริบูรณ์ดูดู กฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งเพียงงบ ป, ประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วจะตั้งจีนานล้านถ้าไม่ลดตําแย่งกิเลสมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมถ้าชาวโลกไม่เสียหน้าบอลบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีเจ้าตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจาก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้า การทะเลาะวิวาทกันก็ไม่มีโทษอาญาก็ไม่มีมีแต่ระหูโทษและแบ ก, ก น, น้อยเท่านั้นเมื่อโทษอาญาไม่มีที่นี่มหาอนันตะคุณในเรื่องโทษอันนั้นมันก็มีเพราะไม่ ม, มีมีมหาจตโทษมันก็กลายเป็นมหามหาตะคุลที่นี้นั่นพิษก็พิษแต่ระหูโทษระหูกุณเท่านั้น ด้วยม ร, ยรียาตเล็กเล็กน้อยนอยเท่านั้นนั่นนั่นนะเผ่าเวียนไพรจะออกจากกวานาธิบาศก็ไม่มีเวียนไพรจะออกจากอาทินนาทานก็ไม่มีเวียนไพรจะออกจากกาเมสุมิทขาจาร์ก็ไม่มีเวียนไพรจะออกจากต้มตุนพูดปดปลอกลวงก็ไม่มีวฎหมายที่เกี่ยวกับเหล่านี้ก็ไม่ต้องตั้งตั้งทํำไมเพราะจิตใจของคนมันเป็นทําแล้วอืมสุราเมระะีระยะระยะกินเป็นระยะ ก็เมาเป็นระยะก็ทะเลาะวิวาดกันเป็นระยะใช่ไหมค่ากันเป็นระยะระยะใช่ไหมทะเลาะกันเป็นระยะระยะอืเขาบอกว่ากินเป็นระยะระยะมันไม่เป็นไรหรอกเขาพูดอย่างนั้นมันก็เมาเป็นระยะระยะเสียทรัพย์เป็นระยะระยะก่อการทะเลาะวิวาดเป็นระยะระยะเกิดโรคเป็นระยะระยะต้องตีเตียนเป็นระยะระยะไม่รู้จักอายเป็นระยะระยะ ทอนกำลังเป็นระยะระยะฆ่ากันตายหงาย ก, ากันไล่ก็มาจากสัวราเป็นส่วนมากถ้าร่วงละเมิดข้อหนึ่งก็ร่วงได้ทั้งหมดนั้นเหตุนั้นพระพุทธาศาสน า, าจึงยืนยันศีลห้าเป็นศีลของชาวโลกศีลห้าประการนี้เคยหัดควรรักษาเป็นนิดิพิกคุสมาเณงก็เหมือนกันก็ควรรักษาเป็นนิดเหมือนกันอ้าวชาวโลกของเรามีกี่ร้อยล้าน คงจะมีถึงหกเจ็ดพันล้านกำลังในหกเจ็ดพันล้านนั้นมีท่านผู้มีสีนห้าพอล้านคนไหมในโลกเนี่ยก็จะจุดจุจุดุ ด, ด, ด, ด, ด, ดคงจะลลำบากใครไหมในแต่ละประเทศทเประเทศที่มีพลเมืองร้อยล้านก็คงจะมี ในระว่างประเทศที่มีพลเมืองร้อยล้านนั้นมีสินห้าพอห้าสิบล้านไหมคงจัดเหมือนกั น, นจุดๆไม่มีก็อาจเป็นได้เราก็ไม่สามารถรู้ได้แต่เป็นเพียงเดาด้นคาดคนเอา้ยเาย้อนลงมาหาประเทศไทยเราทีนี้ประเทศไทยเรามีประมาณหกสิบล้านมั้ง คนหกสิบล้านประเทศไทยเรามีผู้มีสิ้นห้าพอนหนึ่งล้านไหมคงจับ <c oughs> จะลลำบากใช่ไหมอ้าวพวกที่ตั้งก้นไว้ก้นหมูกดพักกดพวกอยู่ทุกวันนี้มีคนประมาณสามสี่ร้อยคนไหมคนสามสี่ร้อยคนนั้นมีสิ้นห้าพอนร้อยคนไหมคงจับ เอมันกัน <c oughs> ถ้าคลองกะทีนี่ถ้าหากว่าไม่มีเส้นห้าแล้กวกฎหมายจะไหนจะตั้งอยู่พักกฎหมายมาเราลองระเมิดออกไปจากเส้นห้าใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นอ่า น, น, นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งหลายทั้งผู้พูดและผู้ฟังด้วยและผู้ไม่ฟังด้วยอ๋ออันนี้เนี่ยพวกเราเรามัก ขว้างค้อนตายมะม่วงไปไม่มักจะขบขบให้แตกมันเป็นด้วยอะไรหนออะไรหนอก็อะไรศีลอะไรธรรมนั่นเองนั่นพระพุทธเจ้าจึงมายืนหยัดศีลหประการนี้คยถือขัดควรรักษาเป็นนิดไม่ใช่ว่าศีลหประการนี้เคยถือขัดไดพ้พิชรสัมเณรนควรร่วงละเมิดเป็นนิตมาได้ยืนยันอย่างนั้นนั่นนั่ น, น, นพิชรสมัมมารนเอ้เอา ผู้มีศีลสองรอยยีสิบเจ็ดก็ดีผู้มีศีลสิบก็ดีผู้มีอศีลห้าก็ดีเอ้ า, อาประมาณสี่พันคนโอ้สี่สี่แสนคนหรือห้าแสนคนไอ้จาพวกเหล่านั้นบริบูรณ์ด้วยศีลสองรอยยสิเจ็ดทั้งหมดหรือหรือหากว่ามีแต่ชื่อมันเฉยเฉยหรือหากว่าบริบูรณ์อ่ อันนี้ก็น่าควรคิดนะเครที่ไปร่วงละเมิดศีลธรรมทั้งปวงมันกู้ร่วงละเมิดศีลหาด้วยกันใช่ไหมนั่นอันนี้ก็น่าลำบากรวมกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับของใครของมันสุธิอสุธิป จ, จตังอัญังนันโ ย, ยวีโทเย จะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เฉพาะตนเองจะไม่บริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เฉพาะตนเองท่านผู้อื่นก็ทําตนให้บริสุทธิ์ไม่ได้ท่านผู้อื่นจะทําตนให้ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่ได้ของใครของมันเอเอไข่จิบเกลือคนนั่นก็เค็มจะแทนกันไม่ได้ดพูดไปบ้าๆ บ, า บ, า บ, า บ, าบาอๆเฉยๆหรอกถ้าไม่ถูกก็ติ้งซะ <c oughs> <c oughs> ใครก็มีอิสระจะพิจารณาได้เหมือนกัน ถ้ามันไม่ถูกก็ต้องทิ้งถ้ามันถูกก็ต้องเอามิตรดีสหายดีพ่อดีแม่ดีคดรูดีอาจารย์ดีตอนไหนถูกก็ส่งเสริมตอนไหนผิดก็จีกกันที่ชาวโลกตั้งว่าไม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองหมายความเพียงแค่ไหนพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนออ มีในพระไตรปิฎกถ้าไม่อย่างนั้นก็เอาพระไตรปิฎกไปเผาไฟทิ้งซะนอนเฝ้ากันอยู่อักโโห่เอา้าพระพุทธเจ้าสอนญนาติโยมสอนยังไงญาติโยมประพฤติกับพระสอนยังไงในพระไตรปิฎกมีนักนรรจีโทเอกก็ต้องเรียมผ่านตลอดตั้ว่าหาแปดประโยชนเก้าประโยชนก็ต้องเรียมผ่านทุกๆุกท่านหน้าที่ของญาติโยมจะทํากับพระ 1. ด้วยกายกรรมคือทำอะไรอระไรประกอบด้วยเมตตา 2. ด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอระไรประกอบด้วยเมตตา 3. ด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอระไรประกอบด้วยเมตตา 4. ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามาให้เข้าบ้านเรือน 5. ด้วยห้าอามิตสกาน ภิกษุสมามเณรได้รับบำรงชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์ขราวาดด้วยสถานหกหนึ่งไม่ให้กระทำความชั่วสให้ตั้งอยู่ในความดีสอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหําทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แกมแจ้งโกบอกทางสวรรค์ให้นั่นนั่นนั่นนั่น พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วถ้าอย่างนั้นพระเนนก็ไม่มีสิ่งที่จะใช้นี่ของญาติโยมสิพระปัจจัยสี่อาศัยของเขาเลี้ยงชีวิตนั่นนั่นนั่นมันมีในพระใจพี่หลวแล้วบัณฑิตโตฆราวาสังบัณฑิตเป็นผู้ครองลืนนัติพาราปณิายา g กาคนพาลไม่ใช่คนหัวหน้าเน้อคนพาลในก็ไม่ ใช่หัวหน้าเจ้าวัดเจ้า่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองอีกเหมือนกันนัทถีพราพรินนาจกาคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้าเน้อบัณฑิตจึงเป็นคนมีหัวหน้าบัณฑิตหมายความเพียงแค่ไหนอย่างต่ำก็ต้องมีศีลห้าบริบูรณ์นั่นพระบรมศาตราสอนไว้แล้วนั่นนั่นนั่นัน่ น, น, น, น, นถามย้อนเข้าไปอกีกทำไมเราจึงอาบน้าจึงปฏิเสธไม่ได้เพราะ ร่างกายมันสกปรกเพื่อบัรเทาอยู่ทำไมเราจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันมีกิเลสจริงๆถูกไหมเหตุฉะนั้นจึงัดตำแหน่งมันตั้งแต่กฎหมายขึ้นชาวโลกเราไม่ลดตำแหน่งกิเลสมันก็เป็นเพียงเอาไปเผาไฟทิ้งเท่านั้นอยู่ในส ก, ก้าบาปตอบอชะลอา ก็อยู่ในตัวหนังสือตัวปอสะกดบุญหรือความเป็นประโยชน์บุญก็แปลว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นโทษและสิ่งที่บานหน้าไปทางเจริญและสิ่งที่สงบเรียกว่าบุญนั่นนั่นนั่นทีนี้ถ้าชาวโลก มองข้ามกลายไปไม่มองดูพระพุทธศาสนาสอนไว้มันก็ไปไม่อรอดเออ<ม>ทะเลเวนทะเลภัยทะเลน้ำตาบวงสวงสังเบยที่มีคุณป้าคุณลุงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายสวัสดีดอกหรือคุณหนูคุณน้อกคุณพี่เพราะเหตุอะไร พระมีอะไรขวางอยู่บ้างก็มีอายุวั น, นโนสุขังพระลังจงเป็นสุขเนะ้อมีสวัสดีอายุวั น, นโนสุขังพลังของพระของพระพุทธศาสนาเป็นไปกันอยู่ถ้าไม่มีคำสิ่งเหล่านี้แล้วทะเลน้าตาทะเลเลือด ก, ก็จะเต็มโลกเหตุนั้นจึงปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้เพราะะพุทธศาสนาะ เป็นจอมพลหรือเป็นนายกศาสนาต่างๆอยู่ในตัวแล้วนัที่ต่างๆจะนับถือหรือไม่นับถือก็ไปในบังคับจะเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสก็ไป บ, บังคับถ้าไปบังคับหรือไปเสียงจ้างรางวัลเดี๋ยวก็ขบวดคืนเพราะหมดเงินแล้วใครจะชนะชนงเอาเงินไปให้เหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้เห็นเองเป็นสันทิทีิโกเห็นเองเถือหิ้วนอนก็นอนเอง หิ้วน้ําก็ดื่มเองหิ้วอาหารก็ทานเองกระหายน้ําก็ดื่มเองหิ้วนอนห่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ําก็ดื่มเองหิ้วอาหารก็รับทานเองเราตาขาคตเป็นเพียงชื่อบอกเท่านั้นจะทําแทนไม่ได้นะถ้าทําให้มีอยู่ก่อนเราถาคตก็ไม่สามารถรู้ทําได้ทํามีอยู่ก่อนตาคต จึงสามารถรู้ทำได้เหตุนั้นจึงยอมเคารพทำไม่ใช่ตถาคตอยู่เหนือธรรมตั้งขึ้นแล้วตถาคตก็เคารพทำอยู่เหตุนั้นจึงไม่พาพระพิสุทธามรรยไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามที่ไหนถ้าเราทำผิดที่ไหนขอให้พุทธบริษัทโจทย์เราดูดูพระบรมศาสตรานั่นนั่นมันก็ยกธงขาวเท่านั้นไปไม่รอดนั่น นั่นนั่นน่นนั่นนันนนนนไมจึงมีผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาน้อยนักทําไมจึงมีปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาเอกน้อยนักก็พระเขากำเรียนก็กําลังเรียนก่อลาคาขอชะลาคาอยู่นี่ก็เหมือนกันเพราะเขายัางสร้างบารมีอ่อนอยู่ถ้าเขาสร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วเขาก็จะ มาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาทั้งนั้นถึงจะได้เพียงเขาโคส่วนค้นโคมาได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้อันเขาโคลนั่นเป็นล้านเป็นแสนเนี่ยเป็นหมื่นแล้วเป็นอสาสวะไขแล้วเนหะ็นฉะนั้นจึงมีพระพุทธศาสนาอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกกานทุกเวลาด้วยมีปัญหาสอดเข้ามาว่ามีผู้ทาลายพระพุทธศาสนาได้ไหม ขอถามย้ำเข้าไปเอกว่ามีกองทัพน้ําลายบ่วนขึ้นฟ้าถึงไหมถ้าไม่มีกองทัพน้าลายบ้วนขึ้นฟ้าได้ก็ทําลายพระพุทธศาสนาไม่ได้ใครทํำผิดก็ผิดแต่เฉพาะตนคนหนึ่งลงลุยหลุนฐานเผอิญผู้เขาไม่ลงลุยจะไปให้เขาเป็นอันตรายมันก็ไม่เป็นอันตรายนักนนั่นนั่ น, น, นอันนี้ควรคิด ถ้าหากว่ามีผู้ทําลายพระพุทธศาสนาได้พระสุภพุทธในยุคนี้ท่านก็ทําลายอยู่แล้วก็ทําลายไม่ได้พระเทวทัตท่านก็ทําลายอยู่แล้วก็ไม่ได้สุภพุทธก็เอาชาตินาลาคิดิงมาทําลายพระบรมศารนาในเวลาบิณฑบาตตกลงพระบรมศารนาแผ่เมตตาชาติก็เลยหมูบเลยนั่นเราเห็นได้ ผู้ที่แก่ทาแก่เรียนก็ต้องเห็นได้พระเทวทัตคือใครก็คือลุงพระบรมสาสดรานั่นเองจะเป็นพระบรมสาสดราแทนแล้วจะฆ่าพระบรมสาสีราขึ้นไปภูเขาคิดชะกูดกลิ้งก้อนหินลงมาใส่พระบรมส า, ารีรากลิ้งก้อนที่แรกมันก็มีน้อยทีียมันประทะกันลงมาเป็นสิบสิบยี่ยี่สิบสิบที่นี่ พระบรมสารีรเอรเรารู้จักแล้วถ้าเราต้องเอื้อมเท่าไปให้ถูกบ้าถ้าเราไม่เอื้อมเท่าไปให้ถูกเทวทัตจะเสียใจจนหัวแตกเกียรเสียงทําให้ได้ใจเทวทัตบ้าเหตุฉะนั้นเอื้อมเท่าให้ไปถูกหัวแม่ตีแม่เท่าของพระบรมศารีรร์ก็เลยห้อจึงบัญญัติว่าทําลายพระโลหิตแท้ห้อขึ้นไปเป็นสังฆเพศนัก ครูทั้งหกก็ทำลายไม่ได้ผลที่สุดก็ไปอาเจียนอาเจียนตายตกน้มตายก็มีนั่นเราจะทำลายต้นเสาได้ไหมแต่ละคนละคนลื้อมวดหมู่เอาข้อนมาควางดูดูคว้างไกลมันก็ไม่ถึงคว้างใกล้นักมวยเอกก็รบไม่ทันใช่ไหม <c oughs> นั่นแล้วลมพัดมาตึงตึงตึงตึงตึ ง, ต ง, ตงจะมีกองทัพ กำผุนโตลมได้ไหมก็ไม่ได้ทั้งกรรมทั้งอ้าปากมันก็เข้าปากเราใช่ไหมเหตุ<笑><笑>นั้นพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่ทุกยุคทุ ก, ท ก, ทกสมัยสำหรับต้อนรับผู้ที่บารมีสูงพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่เอากลนเข้าอย่างอย่างยาอย่า ง, อ ย, างอย่างไม่แย่งใคร ปล่อยให้เข้าไปทุกวัชิเสียก่อนมาเองมันหมดความหวังแล้วนั่นไม่เห็นเือพวกคุณครูทุกวันนี่นุ่งกางเกงขายาวเข้าวัดแล้วลูกปู่ก็พูดกับเขาว่าเออพูดแบบลูกหลานลกปูส่สวมหน้าว่าไะสวมหน้าลูกหลานสวมนหน้าสวมนหน้ายังไง ส่วนนั้นนาลูกหลานไปทางอื่นมันไปแม่รอดเนี่ยก็เข้าวัดละเดีย๋ยะนี่เราพูดอย่นี้เขาม็บอกว่าละลูกปู่ลูกปู่อย่าไปดุลกูกปู่เนะลูกปู่เป็นคนล่าสมัยไม่รู้จักเงือนลูกๆห ล, ล, ลานๆพราะมาในเรียนปริญญาเอกโทอะไรโทรเอกอะไรเขาก็บอกว่าละลูกปู่พวกคุณคูเออลูกปู่ช่างพูดเออด้นึกเสียก่อนลูกปู่จงพู ด, พ, ดพูดแบบลูกห ล, ลานคนกันเองลูกปู่ ว่าสมน้าหน้าแต่ก่อนไม่เคยไหว้พระเดี๋ยวนี้พวกคุณครูไหว้พระแล้วเพราะไปทางอื่นมันไปไม่รอดแล้วก็โค้งหาพระพุทธศาสนาดเราพวกนั้นนี่พวกคุณครูเขาก็หัวเราะทีนี้เขาก็ไม่โกรธหอกห <c oughs> ัดภาวนากันแล้วเดี๋ยวนี้นั <c> ่น <oughs> นั่นัน้ น, น, นทีนี้พบมาจันทร์ทำแปลว่าทำมีทรงอยู่มีอยู่ เครจะกัลูแล้วไม่รู้ไม่เป็นปัญหาทำทำไม่อยู่ทรงอยู่ทำไมล็อกปูห่มผ้าอย่างนี้ล็อกปูเป็นโรคห้ายอย่างโรคถุงน้ำดีเป็นเนี้วแล้วก็โรคลูกหมากโตปัสวะไม่สะดวกแล้วก็ลูกโรคหัวใจตีบตรงเลือดไม่ทันแล้วก็โรคขาอีดบวมสามสี่วันมานี่ทำไมล็อกปูทำอย่างนี้เพราะล็อกปูเป็นคนป่วย คือว่านุ่งห่มแบบคนป่วยจะว่าไม่เคารพสงฆลูปู่ก็ไม่รับลบปู่เป็นคนป่วยอายุร่วงไขไปแล้วแบดคลิปกว่าแล้วทีนี้ยอดเข้ามาว่าทำแปลว่าทำแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ทำยอดลงมาเป็นสองทำายเกิดไฟดับทำฝาไม่เกิดไม่ดับทำฝาไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานทำไฟเกิดไฟดับ คือสังขารและกองทุกข์าธาตุก็ย่นลงเป็นสองาธาตุไฟเกิดไฟดับาธาตุไฟไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานธาตุอินทรีย์ก็ย่นลงเป็นสองอินทรีย์ไฟเกิดดับอินทรีย์ไฟไม่เกิดไม่ดับทีนี้เรียกเขาอีกว่าไฟาเกิดดับเป็นโลคีไฟไม่เกิดไม่ดับเป็นโลคุตระเพราะบานหน้าไปสู่ความเจริญ ธาตุก็มีสองโลกิยธาตุโลกุตระธาตุขันธ์ก็มีสองโลกิยขันธ์โลกุตระขันธ์ใจก็มีสองโลคิยใจโลกุตระใจเกตนาก็มีสองโลกิยเกตนาโลกุตระเกตนาโลกิยโลคิยธรรมโลกุตระธรรมหมายถึงอะไรโลกุตระธรรมธรรมบานหน้าจะไปสู่ ทำอันไม่เกิดไม่ดับคือพระโสดาบันสักทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นับผู้ที่อยู่ในมรด้วยโสดาปัฏิมรดดาปัฏิผลเป็นคู่ที่หนึ่งสักทาคาเมฆสักทาคาผลเป็นคู่ที่สองอนาคาเมฆอนาคาผลเป็นคู่ที่สามอรหัตมรรหดดาผลเป็นคู่ที่สี่นับเรียงองค์เป็นแปดหนึ่งโสดาปัติมร 2. โสดาภิเดผลสามชกทาคาย ม, มักสี่สพทาคามีผลห้าอนาคาเมมักหกอนาคาไมผลกอรหั ต, ตมักแปดอรหั ต, ตผลเอสาภะคัมโตสร้าวัสร์โคนี่เนื้อสาวกของพระภูธมีพระพา่าเก้าจตารีคู่แหงบรุษสี่คู่แหงบรุษสี่คู่แหงบรุษสี่คืออะไร สอดาปิมัสดาปิผลเป็นคู่ที่หนึ่งสัคาใครมักสัคตาใคผลเป็นคู่ที่สองอนาครมักอนาใครผลเป็นคู่ที่สอรหัตมักอรหัตผลเป็นคู่ที่สี่นับเรียงองเป็น8ดดอัถะพุธิสา พ, พุคราน้ บ, บุรุษบุคคล8หนึ่งสดาปฏิมั 2, สองสดาปฏิผลสาสัตาครมกมักสี่สัคาครผลห้าห้าอนาครมักหอนาใครผล 3, เกตอันหัตมตมักแปดอันหัตตะผลเอสาภควาโตเศร้าข้าสร้างโคนี่เนื้อสาวกของ พ, พววระบุมเยาาเจ้าไม่ได้ยืนยันว่ามหานิกายเนืยธรรมยุธหรือสายนั้นสายนี่เป็นสาวพของเราไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นแ้ขราวาดก็เป็นพระสุวรรณได้ในขั้งพุทธกาลไปฟังเทศพระบรมศาราขราวาดซีฟเอละหุนละหุนหนึ่งไม่ได้ ไปฟังเทศพระบรมศาสตร์นะได้สาเร็จพระสวดิ awan สิบเอ า, าหุไปฟังครั้งเดียวในกรุงราชคฤห์ข่าว่ารน้ า, า, าหุ้หนึ่งเท่ากับหนึ่งหมื่นสิบเอ็ดหน้าหุก็เป็นคนหนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นใช่ไหมยังจะได้อีกอคโขเพราะเข้าไปคราวเดียวพระสวสดิบ w ันมีภูมิยังไงบ้างพระสวัสดิ awan ข่าวาาวา่าพระสวัสดิ a w พระเด่น ไม่ยอมลาเสียขาหาทินทางสัมมาอาชีวะไม่ยอมเล่นเสยศาสตร์ไม่ยอมถืออยู่ยงคงะพันข้ารวาดก็เหมือนกันไม่ถือรัที่อื่นว่าปนเพศสาสนาพุทธเพราะเย็นใจแล้วเพราะเป็นที่พึ่งอังกฤมแล้วพระไม่ตีความหมายว่าพระพุทธศาสนาด้ยในทางวัตถุนิยมและอุดมคติ ถือว่าวัตถุนิยมบริบูรณ์อุดมคติบริบูรณ์เป็นหัวจักของวัตถุนิยมอุดมคติเอาอยาพ่นมามันยังไม่หมดกันมันยั ง, ย, งยังไม่ได้ความยังไม่หมดกันยังไม่ได้ความผู้ทำสูงก็มีไม่ใช่จะมีผู้ทำต่ ำ, ตำพัฒดาวันไม่เชียดาอยากจะถือศาสตราอื่น ไม่เสียดายอยากกระถืออยู่ยงคงกับพันไม่เสียดายอยากกระถือเลิกดี่ามดีไม่เสียดายอยากจะล่วงละเมิดสีทห้าไม่เสียดายอยากจะล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเขาบอกว่าเอา้าดื่มโชราซะ ครับเป็นโรคมากขออภัยครับเป็นโรคมากเป็นโรคอะไรก็ไม่อธิบายมันไม่เป็นโกหกหรือไม่เป็นก็พระโรคไม่ต้องการนั่นเองมันเป็นโรคครับขออภัยข้าวหลังเขาก็ไม่เอาผิดด้วยไอ้บักนั่นอีนั่นอย่าไปเอาให้มันหรือมันยอมตัวแล้วเขาเขพูดเท่านั้นครับครับขออภัยบาปอย่างนั้นโทษอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวมันจะกำปั้นเอากัน พราะมันเมาแล้วคนหนึ่งครับครับเป็นโลกครับครับขออภัยมันก็เหมือนเรื่องเท่านั้นทีนี้ไม่เสียดา ย, ยาจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรเออเคยได้ทําผิดกับท่านผู้นั้นมาแต่พบก่อนหรือมาใหม่ก็ให้แล้วกันไปสักเราจะไม่จองเวรกับท่านผู้ใดเลย เพราะเป็นมิเป็นทหายที่ทอดทั้งใโลกธาตุจะไม่จองเวรกับท่านผูน้ใดเลยโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรเพราะโกรธอย่างหยาบโลภอย่างหยาบตัดออกแล้วหลงอย่างหยาบก็ตัดออกแล้วจึงเป็นสมาธิิฐเบื้องต้นเห็นชอบทีนี้ยังอีกไม่เส่อะไรค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลืเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าเพื่อเป็นอาหาร ค้าขายเหล้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวัสดิบาลไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเหมือนเราไม่เสียดายลงลุยหลุมฐานเพลอมันก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายอยากลงลุยหลุมมดคูดมันก็ไม่หนักใจทําไมจึงไม่เสียดายเพราะเห็นเป็นโทษรนล้วนไม่เห็นมีคุณปะปนเลยเรียกว่าเห็นถูก เรียกว่าสมาทิิเห็นชอบขั้นต้นแล้วลลความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากตรงกันข้ามงวดโคตรแมลงวันกินง่ายแต่มแมลงพึ่งไม่ฝันเลยนั <laughs> ่น สิ่งเหนี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะขบให้แตกทั้งนั้นลำ เ, เอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันถากติลำ เ, เอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำเอียงเพราะเคาร์เรียกโกงากโหากติลำ เ, เอียงเพราะกรุกเรียกพย า, ตาคติอคติสี่ประการนี้ไม่มีใน เราตถาคตเลยพระบรมสารีรไม่มีในพระโสดาบันเลยไม่มีในพระสัะกทาคามีเลยไม่มีในพระอระหันต์เลยไม่มีในพระปัจเจ ก, กเลยไม่ได้มีในสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอรหันต์สีจ้าพวกลมามาสัมพุทธะอรหรันต์ปัจเจกอรหันต์สาวกอรหันต์สาวิกาอารหันต์อรหันต์สีจ้าพวกยังมีอีก สุขวิปัจจโกผู้เจริญวิปัจจนาล้วนเตวิโชผู้ได้วิชาสามชะละพิญโยผู้ได้อภิญญาหกปฏิสัมพิทัปโตเพื่อถึงปฏิสัมพิทาสีมันก็ตกลงเป็นแปดจำพวกอยู่ในตัวทีนี้พวกคนเราชอบสุข ท, ท, ทุกทุกท่านเอ้า รักชีวิตของตนยิ่งกว่าชีวิตของคนอื่นใช่ไหมถ้างูเลื่อยมานี่โยโตตโตมานี่ยกคอขึ้นขนาดนี้จะคว้าเอาหมูไหมไม่คว้าเอาเพราะกระโดดก่อนเลยแล้วใช่หมเหตุนั้นชิขาบทปานาติบาจึงเป็นของที่ควรน้อมมาใส่ตนด้วยอธินนาทานก็เหมือนกันอ่า กาเมษุวิทยาจารย์ก็เหมือนกันนอกมาใส่เราด้วยเราชอบให้มีคนมาฆ่าไหมไม่ชอบเราชอบมีคนมารักสิ่งของเราไหมเราก็ไม่ชอบเราชอบมีคนมาโกหกพวกลมไหมเราก็ไม่ชอบเราชอบมีคนม า, าทมกาเมษุวิทยาจารย์เกพภรรยาและแก่สามี และขนาญาติของเราไม่เราก็ไม่ชอบท่านผู้อื่นก็เหมือนกันเราชอบมีผู้มาดื่มชุราแล้วพูดไปสารพัดอย่างนั้นไหมเราไม่ชอบท่านผู้อื่นก็ไม่ชอบเหตุนั้นศิษขาบทบทของศิษขาบทของความศึกษา ศิกษากับศึกษามีความหมายอันเดียวกันศึกษาเป็นภาษาสังส ก, กิตศึกษาแปลว่าศึกษาที่ควรเรียนควรศึกษาอันเดียวเลยแปลเป็นอันเดียวกันซักเี้ผู้ผู้หวังเพื่อพ้อนทุกข์ในผู้หวังธรรมะขนาดกลางเอา้าทีนี้เห็นอเ น, นจังคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพระโลกไปด้วยพระโลกเต็มไปด้วยอเนจัง อันนี้ทำท่านกลางทีเห็นทุกขณะคิดเนี่ยทุกอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นอันนิจจังในปัจจุบันอ น, นิจจังความไม่เที่ยงในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเอา้าสมมติวา่าเรากำลังหายใจเข้าเราบัญญัติว่าต้นลมมันกลายมาเป็นกลางลมแล้วมันกลายมาเป็นท้ายลมแล้วลมออกที่นี่ต้นลมอยู่สะดือเราสมมติทีนี่ พะเราหายออกที trees, terrain, years, horses, ่ไหมเราบัญญัติว่าเป็นต้นลมอยู่ที่นี่มันก็มาเป็นกลางลมอยู่ที่นี่มาเป็นท่ายลมอยู่ที่นี่นั่นนั่นนั่นนั่นคำพูดแต่ละวระบาบมันก็ล่วงไปแล้วคืออันนี้จังใช่ไหมนึกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปแล้วนึกขึ้นมาแล้วก็ล่วงไปแล้วคืออันนี้จังแต่เช่ามานี้เรานึกอะไรว้าแล้วเราเอา เอาไปใส่ตะกร้าเอาไปใส่รถไฟไว้ที่ไหนบ้างมันก็ล่วงไปล่วงไปใช่ไหมนั่ น, น, น, น, น, น, นตาเห็นรูปหมฟังเสียงก็เหมือนกันก็ล่วงไปล่วงไปเหมือนกันไม่มีสิ่งที่จะอยู่ยงคงทนอันนี้คือทำท่านกลางในพระพุทธศาสนาทำช่านท้ายในพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ใดไม่ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจทําเป็นตนตนเป็นธรรมธรรเป็นทศกว่าธรรมใจเป็นทศกว่าใจ ไม่ได้ยึดถือว่าเราเป็นธรรมธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมธรรมเป็นตนผู้นั้นข้ามทะเลหลงไปแล้วอดีตคืออะไรคือใจนะผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือใจนะผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือใจนะผู้รู้ที่ยังควเป็นกําลังเป็นอยู่นี่ทำชั้นสูงที่สุดในพระพุทธศาสนาศีลก็ชั้นสูงสมาธิปัญญาก็เลื่อนขึ้นสูงทีนี้เมื่อศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่ ถูงขึ้นไปเป็นลำดับสินพระสวัสดิบาลสินจักทาคามีอาณาคามีอรหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ตรชิกขาของพระสวัสดิบาลไตรชิขาจักทาคามีอาณาคามีอรหันจะเามาเทียบกันไม่ได้เพราะมียิ่งยอนกว่ากันปัจจุบันพระสวัสดิบาปัจจุบันสักทาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันจะเอามาเทียบกันก็ไม่ได้เพราะมีคุณค่าสูงต่างกันนั่นนั่นทีเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ควรคิดทั้งนั้นทำแต่ละวระบาดส่งต่อพระเนพานหมด ใครเรียนหน้โมจบก็พลทหารเรียนน้โมน้โมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายนอบน้อมจนไม่มาโลคมาโกรธมาหลงนั่นข้อมอบกายทวายสิชีวิตต่อพื่อพระทัรประสง์ในสมเด็มงมีประมารดาถ้าถสูพระนผ้าขอเป็นข่าวเปล่นาตไปพูดระทรมะสงค์ม็มพระมารดาถ้าอสูพระนผ้าผลจากทุกนาวัดตาสงสารอยู่สมเม่งมีประมาราพะธาต ข้าพพระวนาขันวางพนทุกในปัจจุบันนะทร า, าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมพระประมาทใจก็ออกมีแตะคว่บพอเทียงนี่ต่คว่บเป็นทุกขุมนี่พิจาคว่บเป็นอนาาัตตาเคลื่อนศีลเคลื่อนสมาธิเคลื่อนปัญญาเคลื่อนมากศีล ส, สมาธิปัญญาร่วมกันในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญารวมกันในปัจจุบันเลยออาปัจจุบันเป็นพยานเองเห็นทุกในปัจจุบันทุกอดีตอนาคตก็กไม่ต้องสงสัย เห็นอนิจจังในพัฒวันอนิจจังอนิอดีิตอนาคตกรระต่อสงสัยใดใในโลกร่วนอนิจจังไดใดในโลกพรวนทุกขังใดใดโลกพรวนอนัตตาอย่าสงสัยายนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งพัุบันด้วยโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ว่าไม่สุขเลยผู้ใดเห็นไพะไนวัตาสงสารยาเต็มทีให้เกิดพ่แก่ไพ่แก่ไพ่ตายพวกนั้นสั่งวันนี้แก่กามาเดีววังข่าวซูพณิพานเลี่ๆว นั่นมาตั้งแต่มาบาลามีแก้ก่้ามาแล้วถ้าบาลามีอ่อนก็ยังเปลี่ยนไปบะไรถ้าเห็นไพในวัดท้าง ส, สารย่างจำทีให้เกิดไพ่แก่ไพ่เจ็บไพ่ตายดูทุกยอมยาดหนังห่มอยู่ใรอบเนี่ยมิจะกอนเกิดกอนแก่กอนเจ็บกอนตายมิจะกอนทุกข์เหว่ามีกะอนทุกข์ไสยักทีได้เยาวยาปลาแปรงอยู่คือเด็กหน่อยได้กินน้ำได้กินขา่าวได้หายใจเข่าออก ได้เดินเพียนอินญาบถอยู่เอาใจคืดเล็กน้อยนะปัญญามันกับปอยูนั่งหายใจเข่ามหาใจออกกระบอกว่าตายหายใจเข่าบ้าหายใจใจเข่ามหาใจกระบอกว่าตายหายใจออกแล้เว่าเข่ากระบอกว่าตายหายใจเข่าแล้วม่ออกกระบอกว่าตายชีวิตของเขานี่เพียงเท่านี้หรอกเหตุนั้นเชืว่าอยู่มั้พระพุทธเจ้าเชื่อไห ท่านทั้งหลายอย่ากคุ้นเชื่องในวตาชงสารเถิดทำบุญให้ทานรักษาศินอันใดก็าท่านทั้งหลายจงหวังพ้นทุกข์โดยด่วนจึงจะถูกไฟไม่หัวอยู่พวกเธอทั้งหลายพรุ่งนี้จึงจะดับมันจะถูกไหมพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังต้องรีบด่วนสัก พ, พุทธเจ้าสอนบุญเลก็กๆน้อยๆไปอุทิศกุศล พ, พ้นบุญให้ผู้อืน่นแห่งไดาย ขอเป็นไม่เป็นสายช่วยทั้งไทยหลวงพ่อธาตุนิจุงไรจะไม่เว้นีิพพานจะเตือนเลยพุทโธข้ามเดียวพุทโธผู้ผ่ามาเกิด่าแกมาแกมาตายทโมส่งให้่สิ่งควมบ่เกิดบ่แกแกบ่ตายสังโฆปฏิบัติเพื่อบ่รู้บ่โกรธบ่หลงบ่เกิดบ่แกแกบ่ตายนอมพุทโธท่โมสังโฆขึ้นถถงพันานโลดยาสอวาพุทโธเล็กโมเล็สังโฆเล็กว่าพุทโธเล็กโมเล็สังโฆเล็กว่ามีนแน่ว อปีทชกบาลเออบางท่านจะเจริญนท่านเสื่อมนัตจิเมสรณงนันยังสอนใ้ถึงนโมนโมแปลว่านอบนอบนอบนอบพระสมมานพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดถึงพระธรรมพระญาสง์ด้วยนอบนอบด้วยกายวาดด้วยวาจาด้วยใจให้ถึงซึ่งพระพุทธธรรมประสงค์ตลอดชีวิตนัตจิเมสรณะนันยังชนะอื่นของเราไม่มี พระพุทธธรรมประสงค์เช้นนั้นเป็นเทนะอันประเสริฐเพราะพวกเราทั้งหลายดาวเท่าเข้าสู่พรนิพพานเอาเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมือ่อจึงตรงกับคําว่าพธธรรุทธัสสะหัตสมมิทาโสสมมิทาสีวะผู้หญิงเขาเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมือ่อดาวเท่าเข้าสู่พรนิพพานยางจย็นจีรตนางโรเก มิชั่วที่วิธามรุทธนามพุทธาธนา ม, มติตัดสวสดุที่พราวันตัวเตลักษณะอันใดในโรคนี้จะเสมอเมือนั้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีหรือด้วยกล่าวคำสัตว์นี้เพราะความสดดีจงมีแก่พกวกเราทั้งหลายอยู่โดยชุกเม่อมามีประมาณเพือนพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ชุกเมื่ออาชีฐานในอย่างนั้นตั้งสัตตนั้นมีคติเป็นสองไม่มนุษย์ สวรรค์สวรรค์ก็เป็นโลกะสวรรค์นมนุษย์ก็เป็นโลกุตรมนุษย์ถ้ถึงพระพุธพระธรรมระสงฆ์มีสติเป็นสองไม่มนุษย์กับวันถ้าไปถึงพระพุทธพระธรรมระสงฆ์แล้วก็ตรงเงินข้ามไม่สัจจะฌานก็เปลี่รนสุรกายในสัตว์นรกมีสติเป็นสองผลเอกพระบรมศาสตราเป็นผนเอก เอใดเพูดเข้าข้างตัวเพื่อเข้าข้างทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราไม่สามารถรู้ทําได้ทำไม่มีโยก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมสัทธโมฆะรูปาธรรมควรเคารพปรับธรรมแบบแจบจมไม่กร่ด้างกระเดื่องเลยถัดทางสัพพยัญชลังเทวะรปริผลนางบริสุทธิ์ทางภมิจันยางประกาศเสสิประกาศบริโณ์แนวท้งอาตถะทั้งพยัญชนะทั้งทานศีลภาวนา ทั้งเสียงธรรมะที่บรรดากรมคื่อนกันอยู่ทำเป็นโกรกบาลคุงของโรกสองอย่างความร้ายธรรมะความกลัวธรรมะเท่านั้นจะคงของโรคได้พถ้าทีเจ้าองค์ใดๆมาก็มายืนยันอันนั้นไม่ได้ยืนยันนั่นเองนี่ถ้าชาวโลกไม่มีกลัวไม่มียาอาถราพ์ไม่มีความกลัวธรรมะนะจะตั้งกฎหมายไปกี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่ก็สําหรับรกกระดาษเฉย ถาไม่อยางอาส า, ามกากยิดด่งคกัวสามากเลยอ่ะดวดใดๆตั้งขึ้นมันก็อยู่เพราะมันกลัวบาดใครเป็นรูจ้จักเป็นผู้รู้จักบาดมึงคุณโทษถูกใครเป็นผู้ บ, บัญญัติบาดมึงคุณโทษถูกก็พระชมาสพจะเจ้พชชาพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นแต่ละยุคละยุคละยุคก็รปปตรงกันเลยอเนกศตโกคโยุคพระเจ้ชชามากกว่าร้อยปูดมาทรงบัญญัติอันเดียวกันเลยไม่ได้รบร้าวพรบ ก, กันเลยแต่ชาวโลกขี้โอ คอดกายมะม่วงไม่ชอบขบพระพุทธศาสนาะผู้ขบพระพุทธศาสนาไม่แต่ก็คือผู้สร้างวารณียังอ่อนอยู่ผู้ไปเลื่อมใสพระพุทธศาสนาก็คือผู้สร้างวารณียังอ่อนอยู่นั่นเองือเหตุ น, นั้นจึงอยู่ในคนและระดับตามเวลาวัติโลโโกโอทัศโลกก็เป็นไปตามกรรมสัตว์ทีเท่าสองเท่าสัตว์สตเสือสัรคาราสั้ว์ว่าในน้ํดำดาในดินบินในอากาศ ถ้าสร้างวระมีแก่ก้ามาแล้วก็จะมาเลื่อมใส่วัตถุศาสตรศาสนาทางนั้นก็จะเข้าสู่พระนด้พ่านาด้วยกรรมท้งนั้นแต่ยังคิวไกลเหลือเกินพวกคิวใกล้ก็คือพระสวัสดิบาลชักพาคารมีนาคาร์มีอันนั้นเป็นคิวกุทรขาดตัวแล้วบุญของพระสวัสดบิบาลบุญของชักพาคารมบุญของพระอนาคาร์เป็นบุญบุญพระสวัสดาลเป็นบุญบานหน้าบาพระสวัสดิก็นับวันจะร้อยหรอ ไปหมดที่พระอน า, าคามีส่วนพระัธรรมกนัฐผลนั้นเหนือบุญเหนือบาปไปแล้วก็บุญก็ละพอบุญก็สร้างพอแล้วบาปก็สร้างพอแล้วก็เลยเหนือบาปเหลือบุญก็เลยเข้าสู่อ น, นุภาที่เสสันอนุภานไปทำอานุธรรมโลกียธรรมนับแต่พระโสดาบัาาานลงมาเป็นโลกียธรรมสูงไปกว่านั้นเป็นโลกุตรธร ร, รมโลคุตระธรรมแบกออกเป็นสี โซดามักรโซดาปัจฉผลสัพพาเป็นคู่ที่หนึ่งสัพพทาไครมักรสัพทาคผลเป็นคู่ที่สองอนาคครมักรอนาใครผลเป็นคู่ที่สามอรหัตมักรอรหัตผลเป็นคู่ที่สี่นับเรียงค์เป็นแปหนึ่งโซดาวัจมักรสองโซดาวัจฉผลสามสัพพาใครมักรสี่สัพพทาใครผลห้าอนาคายมักรหกอนาคคยผลเจ็ดอรหัตมักรแ8ดอรหัตผลเอชกบะโตเจ้ากชโคนี่น้องสาวของคู่พึงมีภาคเจ้า อานเอานรยความเนรยท้ศนยเนรยานิพพรมไโยอ น, นุตรังคนยอดเขตทางโลกัษาที่เป็นนามุนของโลกไม่มีนามุนยิ่งอื่นยิ่งไปกว่าเพราะเหตุมีแต่ของมาเที่ยงบรรจุอยู่ในโลกเพราะเหตุมีแต่สังขารบรรจุอยู่ในโลกพระนิพพานบรรจุในโลกไหมไม่พระนิพพานบรรจุในพระนิพพานไม่บรรจุในโลกไม่บรรจุในสังขารใครเป็นผู้เสวยพระนิพพาน ก็พระนิพพานเท่านั้นสวยพระนิพานไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวไายแต่ไม่ euh ใครเป็นผู้สวยทุกว่าสังขารจะของทุกเท่านั้นพระนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาสังขารเป็นอัตตาหรืออนัตตาใครเป็นเจ้าของสังขารใครเป็นเจ้าของพระนิพพานพระนิพพานอยู่ในอุ้งมือของใครสังขารอยู่ในอุ้งมือของใครสังขารก็เป็นจริงอยู่ตามสังขารเป็นทำอันเป็นของกลาง ฝ่ายเกิดดับพระนิพพานก็เป็นทำอันเป็นของกลางฝ่ายไม่เกิดไม่ดับนี่นั้นทัพเทธรรมาอนัตตาที่ทำทั้งควงเป็นอนัตตาก็แยกพระนิพานออกนะพระนิพานเป็นอนัตตาจะเกิดไม่ดับไม่ทุกข์ไม่รอนสังขารเป็นอนัตตาที่เกิดดับมีกิเลสทำประโยชน์ ด, ด้วยพระนิพานกิเลสไปทำประโยชน์ไม่ได้ความหลงไปทำประโยชน์ไม่ได้ มันก็หมดเรื่องกันไม่ต้องทุ่มเสียงเกี่ยงงอนกันเลยถูกไหมสาธุสาธุแปลว่าดีสาธุแปลว่าดีควรเอาพระนิพพานในสังขารมาเป็นสงครามกันถูกไหมผู้ใดไปหลงสังขารผู้ใดไปหลงพระนิพพานก็คือกิเลสใช่ไหมพระนิพพานไม่หลงพระนิพพาน สังขารก็มาในหรงสังขารเขาไม่รู้อินุอิเออะไรสังขารก็กิเลสเท่านั้นไปเที่ยวยุ่งถูกไหมเดี๋ยวก็ยึดยืนยันว่าพระนรพนเป็นตนตนเป็นพระนรพนบ้าเดี๋ยวก็ยืนยันว่าสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารบ้ามันก็บ้าจริงๆกิเลสใช่ไหมใครเป็นผู้บัญญัติบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกเพาพระเจ้มาพระพุทธเจ้าเท่านั้นบัญญัติบาปบุญคุณโทษมรคนเนรพนถูก เนือนอนนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยถูกไหมเพราะเหตุใดเพราะมีกิเลสเต็มพุงใช่ไหมยนี่เียดูดูดูดูดูจบไม่พระพบไม่ปากไม่เห็นเลยเหตุนั้นจึงข้ามสะเลหลงของตนไปสะถูกไหมถูกไหมทุกของคารวะก็มีอยู่สี่อย่าง ทุกข์เกิดแต่ความทัพย์ทุกข์เกิดแต่การทรัพย์บริโภคทุกข์เกิดแต่ความไม่เป็นนิเป็นศิ่งทุกข์เกิดแต่ํารามที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นมัก็อยู่ใต้อานาจอนิจังเกิดขึ้นแตความแปรปรวนและแต่สลายวัตถุนิยมเราก็ชมวดีอยู่แต่อยู่ใต้อู่ของอนิจังวัตถุนิยมแบ่งออกเป็นสองวัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ชอบ วัตถุนิยมที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบแต่ได้มาในทางที่ชอบมันก็อยู่ใด้อํานาจอนิจังอยูแล้วถ้าได้มาในทางที่ไม่ชอบก็ยิ่งไปใหญ่ถูกไหมอื ม, อมชาวโลกย่อมชอบสันติภาพรักสันติภาพแต่ว่าครบสันติภาพไม่แตกถ้าพุทธศาสนาเป็นมหาสันติภาพแล้วก็เหตุใด เพราะเหตุดืนยันว่าทําเป็นโล ก, กบาลเขาพามาให้พูดดังเป็นโรคหัวใจเพราะเหตุว่าทําเป็นโลค ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาดความกลัวต่อบาดเท่านั้นจะเป็นสันติภาพได้ถ้าไม่อย่าง น, นะะาั้นเก็จะหาบเลยทีนี้วิธีปลดอาวุธของพระพุทธศาสนามีอีก พระพุทธเจ้าจะมีเก่้าล้านพระองค์กรรมสอนอันเดียวกันอาเ น, นะสักตะกูตะยูพระพุทธเจ้ามากกว่าร่ายภูดแต่ส ง, สงแต่ อ, ส ง, ส, งขขอตสงไข่คอแต่กับก็อสงไข่สงไขกลับแล้วที่ล่วงไปที่จะมาในครังหน้าก็มากกว่าร่ายภูดอีกอโคนถึงจะมาเป็นบางครัง้งบางคราวกว่าตามก็มากก็มากกว่าร่ายภูดที่ล่วงไปเลย ที่จะมาในครา้งหน้าของมันก็มาสวรรค์อันเดียวกันไม่ได้รบราชพอระวอกันเลยเป็นพวกชาวโลกยุ่งเหยิงกันไอเดียวก็มียยุ่งเหยิงเต็มทีไอเดียวก็มียอืะหาสันที่ภาพยังไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบเ อ, อลยเราพระเหตุไงพระไม่มียังอายตว่าไม่มีกลัวกลัวตอว่าไปหาภายนอกไม่หาภายใน เอ้าเพียงมีเสียงห้าบริบูรณ์แล้วสงครามก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีตั้งกฎหมายแต่เพียงงบประมาณและภาษีอากรก็พอแลว้ว <c> น <oughs> ี่ทําไมเราจึงอาบน้ํา ร่างกายมันสกปรกทำไมเราจึงปฏิบัติถิ่นกรรเพราะจิตใจมันสกปรกใช่ไหม <c oughs> ว่าปฏิเสธไม่ได้ถ้ากิเลสโลคโกดลงมีอยู่การปฏิเสธการจะปฏิบัติเพื่อให้บรรเทาและแห้งหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าการท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารมันมีแต่ทุกข์ชาติพิทุกขา ย, ย่างนี้ตูมเดียวก็ถูกมัดใจโลกธาตุเลย เชนาพิทุกขาอีกตูมหนึ่งอีกก็ถูกวัดไใจโลกระฐานเลยไม่ได้นําพี่ทุกขังตูมเดียวก็ถูกอีกนะเกิดเป็นพระอินทพระปมพระยมพระการเกกรียโรกบาลทั้งสีไม่เป็นทุทธบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ในคำภีรใดเลยอีกพออีกแม่เอ๋ยชาติพิทุขาทุกทั้งนั้นตีรวนเสมอเลยลักษณะที่มีเสมอการแ่สังขานทางภูเรียกไตรลักษณะ สามัญลักษณะสามอย่างลักษณะที่มีเสมอกันแก่สังขารดาวฟูเนืยอใจลักษณะแก่เป็นสามอย่างหนึ่งอ น, นิจจตาความเป็นของมาเที่ยงสองสุขตาความเป็นทุกข์สามอนัตตาความเป็นของมันใช่ตนนั่นนี่ น, น, น, น, น, น, น, นี่ตีรวลมัด้าติวิทุกขาเกิดเป็นอินเป็นพรมเป็นพยมพระกาลสุตุโลกบาลทั้งสี่ หรือมีทรัพย์รวยเต็มแผ่นผ้าแผ่นดินไม่เป็นทุกข์หรอกไม่มีนะคำพิเดอะไรเลยนั่นนั่นนั่นนั่นเนเงินเงินนั่นจริงหรืออมอสายพระพุทธศาสนาถ้ากรรมในผลของกํามไม่มีเราก็ไม่เลือกสายพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมในผลของกํามีเราจึงเลือกสายพระพุทธศาสนาพูดทาดีก็ได้ดีจริงเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาพูดทาชั่วก็ได้ชั่วจริง ผู้ดใดเป็นผูท้ทํามีความชั่วก็พระผู้เป็นเจ้าใจเป็นผู้ทาขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เป็นผู้พระผู้เป็นเจ้าใจภายโนอกใช่ไหมนั่นพระผูเ้เนเจ้าใจภายในมีอิสระอยู่ทุกขณะใจใจเป็นของทิพย์โลกทิพย์ธรรทิพย์ใจทิพย์เหยียบไปเวลาไหนคลอดล่เวลานั้นไม่ใช่พวกนี้จึงจะรอนใช่ไหมใครเป็นผูร้รอดก็ใจตนเองคนตายมันไม่รู้จักเอาไปเผามันก็ไม่รอดโอยโอยเอยอ ถูกไหมนั่นทีเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะรู้ทัางนั้นนิฉะนั้นแล้วจะไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งทางใจผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมแล้วการทำรํำด้วยกายวาจาจใจก็ไม่เลือกไม่เลือกเพี้ยนเลยนิชัมมะกัลนังเสื่อยู่ให้คว ร, รเลือกเพี้นเสียก่อนจึงทําเสียเลยดีกว่าพ ร, ระบรมศาสาดาสอน ถ้ามันโยตาเป็นผู้รู้จักถี่รู้จักว่าสิ้งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัชันโยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอนี้นั่นนั่นๆๆนั่นนันั่นอันเหตุแห่งคิปหายก็ยังไม่รู้อบายวะมุกเป็นเหตุแห่งคิปหายนั่นพระพุทธศาสนาองค์ไหนมารับรองไม่มีเลยโหมดเอคิดหายเพียงเลยคอยไม่บ้านไม่เมือง ที่ดินมันเหลือไฟไหม้การพนันที่ดินมันไม่เหลือปูมันยังมี ท, ที่ทํารูของมันอยู่แต่คนแท้ๆม่มีที่ดินอยู่มันก็ลําบากถูกไืมออสันติภาพก็คือคําสอนในพุทธศาสนาเองเออจะไปหาสันติภาพมาแต่ที่ใดล่ะออไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นเลย หันหาสันธิภาพกับเอ็มชิบหกมันไม่ไม่ไม่มันไม่อยู่ทำในโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างเพราะว่าไอ้ต่ากความกวัวตาำากเท่านั้นไม่ใช่ลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูก็ระเบิดปรมาโนเป็นที่ประคองโลกนี่พ่ออีแม่เออเหตุนั้นจึงสอนให้ปลดอาวุธในทางเวยียนไทยนับแต่ประนาธิบาทจนถึงสุรานะปลดอาวุธเวียนไทยสักที่น้องชาวพุทธพระบรมศานา แล้วไม่ปลดอาวุธเวรไผ่เลยเอ้าวชาวโลกผู้ตั้งกฎหมายโคหมู่ทุกวันนี้มีชิ้นห้าพอสิบคนไหมอย่าเลยอีกพ่ออีกแม่เอ๋ยไม่มีมือถือศาปากถือศีลชาวโลกเราใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเอ่นสันติภาพก็คือสิ่งที่ไม่มีเวรไผ่นั่นเองชิ้นห้าเป็นสันติภาพแลยอะเป็นมหาสันติภาพอีกเคียด้วยเป็นภูมิของพระสระบรลอีกเคียด้วยใช่ไหม นั่นนั่นั่นนั่นไม่เป็นภูมิของพระสวัสาลพระสวัสดิบาลไม่เสียดายลงแล้วมัดศรีน า, มมนนาไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือระดียามดีไม่เสียดายอยาจะครบมิตรทั่วไม่เสียดายอยากจะจองเวนท่านโทใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรอันนี้เลียแต่อบายามุกกันเต็มโลกเป็นอบายามุกเป็น เป็นไฟเผาโลกจะเอาเอตมังขนุตตมังมาจากประตู ไ, ได้ล้ <c oughs> นนชาวโลกเนี่ยก็อยู่ยงคงกพันอันนั้นอันนี้ใครอยู่ยงคงกพันธ์ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันทุกวันนี่พระโอกลาก็ตายด้วยก้อนเขาใช่ไหมนั่นหัวเหนินเดินอากาศได้ทําไมจึงสนใจในอยู่ยงคงกพันธ์มากมันก็ว่าจริงๆถูกไหม นื้กูอวดเดียบ ว, วดดีกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันค่นั่นใช่ไหมเราไม่ยอมเชื่อเลยเออร่างกายสังขามันจะอยู่ยงคงกพันอะไร อ, อืต้นกล้วยมันก็ยังมั่นคงอยู่นักเดี๋ยวก็เสซ็จเลยถ้าถูกใต้โนมนันเซ็ตเลยพอขนาดนี้ก็เสร็จเลยมาหาแต่โทร ะ, ะดอกเห็นเขาเห็จเขาฆ่ากันแล้ว อ, อืเราไม่เชื่อเลย เราไม่เอาแล้วไม่เอาด้วยเราไม่เอาด้วยเอ่อเอาเอ า, เอาตามาคําสอนของพระบรมศาสดาข่าวหนึ่งวัดเชตตะวันมหาวิหารเป็นวัดป่าเต็มภูมเชตตะวันมหาวิหารเป็นชื่อไหมมีอนณาถาเป็นทีเ่เกษตรฐีสร้างกระเป๋าเดียวหมดสี่ถห้าโกดไกลบ้านห้าร้อยขาธโนขาธโนหนึ่งสี่ศร 500คาร์ทโนก็เท่ากับ25เส้นไกลจากเมืองสาวถีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นางวิสาขาไกลจากเมืองสาวถีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนาดเดียวกัน500คาร์ทโน่เหมือนกันคาร์ทโน่14สอบเท่ากับ25เส้นเท่ากับ1กิโลเอ่อเท่ากับ1กิโลนั่นเป็นวัดป่าเต็มภูมิ วัดป่ามันเกิดก่อนวัดบ้านเอะเข้ามาพุทธเจ้าเนอกุฎาคารป่ามหาวันก็วัดป่าเมรุวันสวนไทรของพระเจ้าพิมพิสารก็วัดป่ารับเทวันสวนจานหลุมก็วัดป่ากรุงกามินนพัทก็วัดป่ามหาวันนั่นน่ะวัดป่าเกิดก่อนเนอะพระเจ้าพิมพิสารอสร้างถวายกุงรัชกกรุงกามินนพัทก็วัดป่าทั้งนั้นอ นี่โคทารามป่าไม่ในโพธิกุฎาคารป่ามหาวันวัดป่าทั้งนั้นแต่ก่อนไม่ได้พูดเขาข้างตัวเหตุนั้นในอนุศาสตร์จึงบอกอดัญเยรุคมูเรวานบางท่านก็บอกว่าวัดป่านี่เอาออกซะมันยุ่งเหยิงถ้าเอาถ้าเอาป่าออกจากพระพุทธศาสนาแล้วอนุศาสตร์จะบอกยังไงอีกพ่ออีแม่เ อ, อ๋ยนั่นยินดีในเสนาสนป่า พ้ า, ตาไตรปิฎกทำไมครับทีนี่ยอนคืนมากล่าวเรื่องพระเจ้าพิมพิกล่าวเรื่องวัดเทือกตะวันมหาวิหารมีอนณาธะอนณาสาวินทิกเกษตรศีสร้างถวายกระเป๋าเดียวสีผ้าโกดนั่นนั่นนั่นข้างพุทธการสร้างทางวัตถุนิยมและอุรมณ์คติด้วยจะไปประมาณหรือข้างพุทธการกระเป๋าเดียวสีผ้าโกดโกด ก, ก็เป็นเงินตัวเงินจริงๆไม่ใช่กระดาษเงินพวกเรา นั่ิบห้ากดเอาสิบไปคูณดูรูสิบร้านจึงเป็นกูณสิบห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสีร้อยห้าสิบล้านเรามีไหมในโลกทุกวันในกระเป๋าเดียวสี่รอยห้าสิบล้านสร้างวัดไม่มีเลยเห็นจะแผกแขกเขาขอเรื่องอะไรอเขาเบื่อจะตายใช่ไหมแต่ว่าห้องปูก็จะแผลเนอ้อมาจะขอเนอะ มีมาลุงปู่ก็ทำไม่มีลุงปู่ก็ไม่ทำาเราจะกล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนาในขั้งพุทธการมันด้อยพัฒนาไหมพัฒนาทั้งวัตถุนิยมและอุดมคติด้วยโยมทั้งหลายในกรุงราชาคฤห์พระเจ้าพิมพิสารพาไปถาบว่าพระบรมศาสนาถึงพระสวสดาบรณชิบเอ็ดรหุดละหุดหนึ่ง มีคนหมื่นหนึ่งชิเอราหุดเป็นพระสวดัดิบาลทั้งนั้นเป็นคนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนั่นอ่ะคราวเดียวเทศคณะเดียวอนอกจากนั้นยังมีอยู่อีกอกโขนนั่นแล้วจะกล่าวถือ ว, ว่าพาะข้างพุทธการขาดวัดนิยมและอุดมคติไม่ใช่นางวิสาขาสร้างวัดทางบุพพาราม นางคนเดียวชิปเก้าโกรดชิปเก้าโกรดมันมีกี่ล้านเอาสิบไปคูณดูรูอชิปเก้าเก้าสิบชิปหึงเป็นชิปเป็นชิปเก้าร้อยเก้าชิปลาดใ น, น ก, กระเป๋าเดียวนั่นนั่นางลืมของอยู่ที่วัดลืมเครื่องประดับนางก็เลยไม่มาเอาเออเนื้ลืมแล้วไปแล้วไปละพระอนุนเข็บไว้เอาของอันนั้นไปขาย จะมาสร้างวัดเน่ยวพวกเราลืมของอยู่วัดพวกเราก็มาถามเอาใช่ไหม <laughs> ถามม่เห็นก่าวตูปะราไม่ <laughs> จะค้าไม่เอาบอกว่าลืมอยู่ของอยู่วัดเราไม่ส่งเอาเียเขาเป็นพระสวดบันแล้วเขาเป็นพระสวดธบันแต่อายุเจ็ดปีเขาไม่เสียดายลุงละเมิดศีนห้าเขาไม่เสียดายลุงละเมิดธรรมา ย, ยมุกเขาไม่เสียดายจะถืออยู่ยงคงกระพันเขาไม่เสียดายอยากจะถือระดีงามดีเขาไม่เสียดาย อยากจะควบม pues ิดช nah ั ique, ่วเขาไม่เสียดายอยากจะค่าขายสครื่อฝาแหวค้าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลือยๆสัตว์ที่ตัวฆ่าผู้ปัญหาค่าขายน้ำมานค้าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระเจ้าาบาลไม่เสียดายเ่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายเร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจก็ไม่ว่าแต่นางวิสาขาระเป็นพระจะบวชล้านพรรษาก็ตามถ้าเสียดายเร่วงละเมิดสินห้าถ้าเสียดายเร่วงละเมิดอบายมุก มันก็ไม่แค่พระโสดามันมันก็คือพระ โ, โสดันโสดาโสดขาดคะนีนั่นเองใช่ไหมเขยเกี่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยเลยเจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยพรบรมศาสดาสอืนจงเป็นผู้ด่วนในทางทำดีอย่าเป็นผู้ด่วนในทางทำชั่วเลย จงเป็นผู้สนใจในทางทำดีอย่าเป็นผู้สนใจในทางทำชั่วเลยผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมที่ทำดีทำชั่วผู้นั้นก็เชื่อพระพุทธศาสนาครบพระพุทธศาสนาแตกผู้นั้นก็มีชีพพึ่งไม่เหมือนนุ่นปลิวไปตามลมไม่เหมือนว่าวเชือกขาไม่เหมือนน้ำไม่เหมือนไม่ลอยนะ้ำขบหลวศาสนาท่านทั้งหลายจงอยู่มีชีพพึ่งคือ คือพึ่งความดีของตนที่ทําขึ้นนเองเราไปพึ่งความชั่วของตนนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทาชั่วให้ใจใจเท่านั้นรู้จักเหตุผลทางดีทางชั่วนี่ถ้าทําย่นลงมาหาเอกนิบาศถ้าเป็นทุกขก์นิบาศจะรู้ว่าจะพูดยังไงก็กายกับใจ ถ้าใจพี่ดกย่นลงมาหาใจมนโนภาพังขมาธรรมามโนเสดข้ามอนุโมยธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจจะไปทางดีทางชั่วพอใจเป็นผู้กข์ก่อขึ้นพระพุทธศาสนาย่นลงมาหาเอกันนิบาต ค, คือมีบทเดียวแต่หมื่นทีพระธรรมขันธ์ก็ย่นลงมาใหา้เอกนิบาตศีลจัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมัน่นลงในที่ใจปัญญาลอกลู่ลงในที่ใจย่นลงมา สิ้นสมาธิปัญญาของพระญาบัญญัติลงมาที่ใจศิ้นสมาธิปัญญาของสัจธรรมเก็่ยเขานลงมาที่ใจในปัจจุบันสิ้นของพระอนาคามีใจสิขาสิ้นสมาธิปัญญาก็โยนลงที่ใจศีลของพระอรหันต์ก็เหมือนกันยนลงมาที่ใจเป็นมหาศิ้นเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเล้วะเป็นมิมุติสิ้นเป็นมิมุติสมาธิเป็นมิมุติปัญญาเนี่ยกลมกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ใจ นันทิ่ิโกพระสวสดาวันเป็นผู้ไม่หลงทางดังชื่อว่ามาแล้วนั่นเองคือไม่ใช่ได้ลงแล้วเมื่อที่หน้านั่นเองสันทิ่จโกแป็นผู้เห็นเองสันทิ่จโกเป็นผู้เห็นเองพระรหารเห็นว่าจะไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกแล้วเพราะเราโกดหลงไม่มีแล้วเป็นมหาสันทิชิโกถ้าจะว่าสันทิชกโกในโลกีมาพนไปกันมันก็ยุ่งเหยิงกันเพราะที่เขาไม่เรื่องสายพุทธศาสนาเขากระู่เขาอยู่ มันก็เป็นชันทิศติโกอันนั้นมันไม่มีความเขตมันเป็รุ่งเรืองเหนือเกินปัจจุบันพระสวสดา์บันฑปัจจุบันสัคตาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระรหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพวกต่ากว่านั่นลงมานโมพระสสดา์บันฑ์นโมพระสัคตาคามีนโมพระอนาคามีนโมพระราหันจะเอามาเทียบกันไม่ได้นโมแปลว่านอบน้อมพระสวสดา์บันนอบน้อมไม่หลงทางพระราหันนอบน้อมยบแล้ว จนไม่มีกิเลสไม่มีโรภมีโกรธมีหลงเรียนนโมโจบพระนานนโมโรกีก็นโมเลขนโมผานโมบัตสนโมเบอร์ใช่ไหมนโมอยู่ยงคงกระพันใช่ไหมนั่นนโมโรกีนะ่ะไม่ใช่นโมโรตระืะ ำทะะำซุปหม้อเลาะทำซุปหม้อเลาะตนเองเพราะตนเองมีกิเลดมากมาท่องเที่ยวในวัดตทาทองศาลอืรพระรทหารจาพวกเดียวออกจากโรงพยาบาลผีธัญญาใช่ไห ม, มโรงพยาบาลผีบา้านพระอนณาคามีก็ออกได้มากแล้วแล้วพระทหารออกเลยพระเจบาทันออกจากโรงพยาบาลเป็นเอกเทศเพราะพ้นจากเกิียดเป็นเอกเทศเหนือต่ํากว่านั่นลงมากกว่าน้าําไหลวนคนหลายใจ มัดบุญแล้วก็ไปหาบาปมดบาปแล้วก็ไปหาบุญวนเวียนอยู่ในวัดสงสารเออ่ยังไม่ทันมีคิวจะไปพระนิพพานพระโสราวันมีคิวไปพระนิพพานแล้วดานหน้าไปสู่พระนิพพานพระโสดาบัน ย, ยังต่ําก็เกิดอีกเยชาติอร tha ม, มาที่ยันติไม่ถืออภปที่แปลกพระโสวา บ, บันไม่ใช่ถือศาสนาอื่น ชาคาพิสารานี้อภพโพคาตุนนี่ทํำปีสั่งเครั้นำบริังเดชในสั่งเคสวดสุขวัตถุเขาตัวพระเทวดาบันไม่ถือศาสตาอื่นอภิสฐานทษอย่างหนักหกมาตัวข้าข้ามรนดาพิโตข้าค่าบิดาาราตข้าค่าพระรามโลหิตตุลาทําลายพุทธิเจ้าทิ่งยังมรรคหิทธิห้องเพิ่ไปสังฆเภทยังสงให้แต่จากกันอัญชัตตุเทพไม่ถือศาสตาอื่นพระเทวดาบันสูตรอันนี้เป็นสูตรพระโทวดาบันในรัตนสูตร กายเยนะวาจายตเกต้าซาวาอันนี้ก็เป็นสูตรพระสวดาบันพระสวสดบิบาลทำผิดแล้วไม่ปกปิดความผิดของตนยอมแสดงความผิดของตนและความผิดของท่านก็ไม่ถึงกับขั้นสังขาฏิเศษและปาราชิตเคลียงไฟเกตีหรือทุกข์ทนาน่ะสิ่งไหนที่พระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยนล้วจะเกณนสักเพียงไหนก็เลี้ยมก้างของท่านนั่นเองถูกไม้ม แล้วเรียนแบบท่าน อ, อกหัวลนมาหาเวียนธบาปกินอ่งใช่ไหยถ้าเรายังไม่พ้นเป็นพระทหารก็ยังไม่ได้ใช่นี่นี่ขององค์ท่านไม่ใช่นี่พระพุทธศาสนาหรอมีท่างต้นทุนและดอกเบีย้ยถ้าถึงพระทหารแล้วก็ได้ใช้หมดท่างต้นทุนและดอกเบี้ยนี่เอาผ้าเหลืยงมา ม, า ม, ามาเลียงแบบหากินอยู่นี่ อ, อกหัวล้นาหากินอยู่นี่เห็นไหม <c oughs> นั่น แล้วก็พูดยัว่วเล่นหลอกเป็นกับพวกพูดแทนกขาพูดแทนเข้ามาเรีย่ยมคนหนึ่งพูดแทนกบฏของผู้แทนสกุลนครอ้าเข้ามาก็ดีละ่ะแล้วปู่จะถือเป็นลู ก, ล ก, ลกลๆูกหลานหลานจะไปะโกรธแทนลูงปูนะ่เนอะเพราะลูกปู่เป็นคนล่าสมัยมาได้นนเรียนมากมันพัวลูกลูกลหลานคนรับตาอยู่ในป่า เป็นคนโง่ไม่ได้เรียนมากเหมือนลูกๆล้านลูกๆล้านเป็นคนทันสมัยนั่นก็เพราะอย่าเอาเรื่องขับหลวงปู่นะหลวงปู่ะแบบพูดแบบคนคุ้นเชือแบบลูกๆล้านว่าอะไรเราก็จับศีรษะอีกถ้าคนอื่นจับไมาได้ฟ้องกันจิตคุกหเดือนนี่นะพูดอะไรทำไมลูกเราู ไม่เอากฎหมายไว้เฉพาะบ้างกฎหมายยังไงครับพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำชาติของชาติไทยมาแต่ดิกดำบรรพ์ไอ้แทแช่พระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจำโลกหมดโลกเลยแต่เราพูดโดยเฉพาะเฉยๆทาไมจึงว่าหมดโลกอธิบายนในเชก่อนก่อนที่พระบรมศาสนาจะสร้างบา ร, รมีก็มีพุท ธ, ธจริย์สาม พุทธจริย์สามคืออะไรก็คือคิวและอธิษฐานและดิ่งและความประสงค์ความประสงค์มีอยู่สามข้อพุทธทัตจริย์ทรงสร้างบันมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะนำมาเทศเอาญาเรียกว่ายาตถจริยาทรงมาพืทเพื่อเป็นประโยชน์แก่ยาเช่นเอาญาไปบวช หรือห้ามญาตในเวลาที่แย่งน้ามันจะเป็นศึกกันและสงข้อยาติให้เข้าสู่คณิพานด้วยยกรย า, าตการนั่นจะโลตัตทะจริยามีความประสงค์อยากจะเทศเอาโลกมีพุทธจริยาสามแต่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอันนั้นอันนี้ก็ยังจะพากันโกรธจะโกรธบ้าทำไมชาวโลกนี่เราเขียนแต่เฉพาะ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเราไม่ได้ข่มเหงให้ชาวโลกนับถือเ อ, อกฎหมายข้อนี้มันกฎหมายอันนี้เราก็ไม่ได้บังคับพวกอยู่ในประเทศจะถืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทําไมจึงไม่เขียนว่าเป็นมิ่งขวัญบ้างเราพูดนะกาลังหาเสียงอยู่ครับจะไปหาเสียงที่ไหนเราพูดนก็เราเป็นแมลงผู้แมลงพึ่งจะไปหาเสียงกับแมลงวันมันจะให้ไหมเราพูดอย่างเกาหัวทีนี้ กัวลอย่างนี้นี่แล้วปู่ก็ชอบแทรกมาพูดนะกังวลเลยอ้าวธาตุธนมไม่ใช่เสียงหรือธาตุลครผสมไม่ใช่เสียงหรือธาตุที่อื่นๆก็มีอยู่ธาตุอิดอิดยินถอนพระพุทธรูปถูกฝังที่เรีนอยู่ก็ดึกดํามัณหนึ่งเม็ดก็ไม่ไม่ใช่เสียงหรือถ้าใจเปรเ้ดร้อยเล่มปุ้ยแสงสายไม่ใช่เสียงหรือ ของสยามรัฐก็สี่สิบห้าเล่มมีเต็มอยู่ในกรุงเทพมีแต่เรื่องประวัติของพระพุทธศาสนาทางนั้นเรื่องพระบรมศาสนามาเทศมาเกิดในโลกทุกยุคทุกสมัยของชาวโลกถึงจะสุนจะกลับก็ตามถึงเวลาขาวก็มาก็มากกว่าร้อยโกรธนั่นไม่ใช่เขียนสองสาคำทางนั้นเกรงจะเพลิดเพลิขี้ข่าปี๊ๆแล้วจะทาดีก็ขี้ขา่า พวกพลูกไปนั่งบางหลังครัทคลัทเอาหรือครับวกอย่างนี้ก็พวกลูกๆเป็นผู้ต่างกฎหมายใช่ไหมก็ใช่ทีนี้ที่บัญญัติห้ามม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองเกรงว่าพระจะเห็นขี้เทอของตนอะไอย่างเงี้ยแล้วแต่ตังกฎหมายห้ามไว้ออว่า้ยงีพระไม่รู้การบ้านการเมืองพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนล่ะคราบพวอย่างนี้ อา้าในพระไตรปิฎกนี่อยู่หน้าที่ของคราวาสทํากับพร ะ, พะทํำยังไงะนะพูดหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบ ด, ด้วยเมตตาสองด้วยวจีธรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วย ม, วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบ ด, ด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสถานอยาชี้เหนียวมากนั่นนั่นหน้าที่ของคณวาสมีในพระไตรปิฎกนะพูดนะเนี้ อยู่ในนักนะธรรมเตย์ก็มีนะพูดนะในที่นี้ปฏิบัติก็มีนะพูดนะสมหาสมณเจ้าท่านเอาออกมาเพื่อให้เหมาะกับฐานะของนักธรรมเตยินะพูดนะเนี่ยเอา้าหน้าที่ของพระทํากับโยมหนึ่งห้ามกระทาความชั่วสองแนะนําให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้าใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มมกบอกทางสวรรค์ให้นั่น นั่น น, น, น, นี่นี่นี่นี่นั้นนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ฟังและผู้พูดเราพูดนี่เองถ้าพระไม่สอนว่าสอนเมืองเอความเรี่องชีวิตของเรื่องด้วยผู้อื่นมีปัจจัยสี่จีวันบินธบานเทนาสณะนัเพสกัดก็ไม่คุ้มค่าเพราะปัจจัยสี่อาศัยคาราวาน้นํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่วยพึ่งหมอเดินทางไกลพึ่งผู้ขับรถขับเรือแต่ก็ไม่สนิท หลังซึ่งตนจึงจะไม่จนงงง่ายพุ่งซึง่งผู้อื่นก็สมประสงค์บ้างไม่สมประสงค์บ้างอันนี้พิเศษมันดอกถูกเพราะก่อนพาไปก็เลยพูดประการก่อนอันนี้แ น, น่นแนที่นี่กเกาหวัวที่นี่เพื่อลูกเอตั้งกฎหนไมกฎหมู่ก็ทนพก้ พ, พวกขึ้นไม่ขีดขวางอบายยมุกมีตั้งแตพ่พระเทิด เก็บเก็บเก็บอยู่มันก็ไปฟังทําไมพวกลูกๆจะไปส่งเสริมอบายจะมุกมากทําไมจึงไม่ห้ามว่าเนียยังข่าวว่าพวกลูกๆจะเอาลงเออ่จะเอาทุ่งกุลา เ, เป็นที่เล่นการพนันออืทุ่งกาลาร่องให้จีนก็จะร่องให้ไทยก็จะร่องให้และลาวก็จะร่องให้ไม่จะร่องไม่ร่องให้แต่ทุ่งกลาเลยเข้ามาเอาไป วันเดียวเซตมดประเทศเราเนี่ยแ้พวกลูกๆรอบไปเล่นเล่นประเทศอื่นหาบอะไรเข้ามาบ้างนะพูดว่าอย่างนี้ก็มีแต่เสียทางนั้นเสียเป็นหลายๆล้านเลนะเก่าหวยนับที้าราปินาญกาคนพานไม่ใช่คนหัวหน้าบัณฑิตาปนินาญกาบัณฑิตเท่านั้นเป็นคนหัวหน้าการตั้งกฎนไม้ก้นหมู่ก้นพักก้พวกของชาวโลก ไม่มองดูพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเพราะพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาชาวโลกโดยโจงแจ้งมาตั้งแต่เด็กดำบันแต่ไหนแต่ไรเลยเป็นาศาสนาประกำโลกอีกเช่นด้วยไม่ใช่าศาสนาประกำชาติพวกรัฐที่อื่นๆถือรัฐที่อื่นๆก็จะมาเลื่องใส่พระพุทธศาสนาทั้งนั้นจึงจะสําเร็จพระโสดาบันมีในมหาปริิญพานสูตรน ถ้าอย่างนั้นมหาปริญิพานสูตรเอาไปเผาไฟทิ้งซักเราก็พูดหลังนี้เพราะสุปัตถะไปกาบทูลพระบรมศารีราพวกรัตที่อื่นไม่ประมาทยันยะวิธีของเขาเขาจะสําเร็จพระสวสดาบันสักกษาธรมีนาคารมหรือบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าอย่าเลยอย่าเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวแล้วพูดเข้าข้างทำถ้าทําให้มีอยู่ก่อนแล้วก็ไม่สามารถรู้ทําได้พระบรมศารีรา ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้ตัวของเขาพระพุทธชนคนหนาเราดีๆนี่เองจะเอาพระสวดารันสักคาคามีอนาคามีมาจากประตูใด ล, ล่ะเขาก็จะมาเริ่อมใสศาสนาพุทธเสียก่อนเขาจึงสามารถจะสําเร็จพระสวดารันสักคาคามีอนาคามมได้ดูตัวอย่างดูดูพโมกคนาสารีบุตรก็ปาศถนาเป็นสาวกเบื้องซ้ายเบื้อ ง, ง, งขวาของพระสมมาพระพุทธเจ้ามา ตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอนโนมาทัศน์สีพอมาถึงศาสนาพุทธพระองค์ของเราก็ไปเลื่อมใสพวกสวนชัยนาฏตบุตรไปเป็นบริวารอยู่ในสวนัยนาฏตบุตรซึ่งเป็นรัฐที่อื่นสวนัยนาฏตบุตรมีบริวารห้าร้อยคนพอไปเห็นพระอัจฉริก็เลื่อมใสพระศาสนาพุทธก็ไปฟังแค่พระอัจฉริพระอัจฉริประเทศอันนี้จังให้ฟัง ยังกิงจิตสมุทายะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมนติจิ่งไดสิหนึ่งเกิดขึ้นเสียงนั้นทั้งหมดก็มีความดับสูเป็นธรรมะสาเร็จพระรหัสนี่หรือสำเร็จพระสวดธรรมแล้วก็ไปเทศเอาพระโมคขลาอีกลเลยพรากราจากสนไชนาตบุตรก็ไปหาพระบรมศาสดาก็เลยเทศก็เลยได้สําเร็จพระรหัสนั่นนั่นนี่นีนนนน่เอา้าออกมาจากาศาสตาอื่ น, นมาสําเร็จพระรหัสนในขัง้งพุทธการของเรามีมาก คือนักขานคานกินขี้ถือว่าตนเป็นผู้ปฏิบัติเคร่งคัดผลชุดท้ายก็มาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาก็สําเร็จพระรหันั่นันนมีตัวอย่างอยู่มากมายแล้วทำไมพระรามศาสนราจึงลงเกิดในประเทศอินเดียทุกๆุกทุกทสมัยเพราะประเทศอินเดียมีนิกายมาก6กทสองนิกาย ไปชันขั้นแข่งกันอยู่เพราะพระเ้ศาสนาก็ลงกัดจํานวนทีนั้นทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเอ้าพระโมคคัลาปาสนาเป็นสาวกบางซ้ายบางขวามาแต่ข้างพระเจ้าอนุโลมวัฒษ์สีอนุวัฒษ์สีชนุสตโมวัตุโมโรกปัตโตโตนารโทวรสารสีปัจมุตตโรสัพพะโรชุเมโทอปัสติภุสโรสุชาโทสพภโรกัโข สีสักสีนราภูอัคขาสักสีกามิโกธรรมสักสีตะโมนิโกจิตทัเขาอัตโนมิจิตโคจักรวัฏตังวโทวุตโคจักรวัโทวุตโท